เอชเอนเทอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอเรื่องราวแห่งความรักการเสียสละและการให้อภัยแม่เสรียงที่รัก ทึ้งนี้ไม่ได้ไปแทนเพื่อนี่นะใช่ครับมาในพะพอนุ่มนี่เข้าอำเภอหรอกทำไมอ่ะเขาถูกยิงบาดเจ็บเื้อหลายไม่ยอมหยุดอย่างนี้เขาอาจตายก็ได้นะครับต้องไปให้หมอรักษาสวยเองไม่เห็นเหรอเห็นอะไระพระเฒ่าก็นี่ไงเวนของเราเนี่ยมันกระแทกแรงเหลือเกินเคลื่อนไปตะลอดทีนแง่งไปแว่งมายิ่งกว่าสายสะโพกซะอีกน่ะคืนพะพอนุ่มเนี่ยเข้าไปในอำเภอแล้วละก็ ามั่นใจว่ามันจะต้องเอเลือดตกไงตายกลางทางแน่เลยแล้วเอาไงดีพ่อเฒ่าเจะไปไหนก็ไปบ้านข่าน่ะสิอ้าวแล้วเอาไงอะหมู่บ้านเราก็ไม่มีหมอมันต้องตายแน่เลยเนี่ยเฮ้ยมันอาจจะไม่ตายก็ได้แต่ถ้าเอามันเข้าอำเภอมันตายก่อนถึงมือหมอแน่นอนแต่ถ้าเอามันไปบ้านค้านี่นะมันมีโอกาสรอดตายมากกว่าพ่อเฒ่ามั่นใจเอะมั่นใจสิ หรือเอ็งไม่เชื่อที่ข้าพูดอย่างนั้นหรือไงือว่าสุเวจ้าพ่อเท่าไหนเอ็งตอบคําถามข้าหน่อยสิคําถามอะไรจ้าก็ตอบข้าสิว่าเส้นทางระหว่างเข้าไปในอําเภอกับไปบ้านข้าอย่างไหนมันจะไกลกว่ากันก็ไปบ้านพ่อเท่าน่ะสิจากนี่ไปบ้านพ่อเท่าก็ใกล้แค่นี้เองนั่งเกวียนไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถึงแล้วก็นั่นน่ะสิแล้วพอหนุ่มคนเนี้<อ>ไปไหนมันถึงจะได้รับความสะเทือนแผลน้อยกว่ากัน ก็ไปบ้านพ่อเท่าเนอซีไม่ต้องคิดมากด้วยเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่ข้าคิดก็น่าจะถูกต้องแล้วใช่ใชไหมใช่จ้ะดีมากเจ้าสูเวดีใจที่เองเข้าใจอะไรไง่ายๆก็เพาะพ่อเท่ามีเหตุผลไงอืมเดี๋ยวถึงบ้าน เ, นเองช่วยอุ้มพ่อนนุ่มคนนี้ขึ้นบานเลยนะพ่อเท่าให้ฉันอุ้มเขาคนเดียวเหรออือช่วยกันสิพ่อนนุ่มนี่มันร่างใหญ่มันหนักมากคนเดียวแบกไปไม่ไหวหรอกก็นั้นนหะ เอาได้แล้วไอ้มือยุดยดยุดยุดผมแบกครึ่งหลังก็พระเท่าจะเอาอย่างนั้นเลยครับอะตามใจก็แล้วกันเดี๋ยวนะให้ขาบแล้วคลองพอนุมให้เขาเข้าทีเข้าทางก่อนอเอ็งจะได้แบกให้คลองขึ้นอึ๊กอะจ้าไหวไหมไว้จ้าอืมทำให้ไหวเดี๋ยวข้าจะระดมชาวบ้านมาช่วยหามันขึ้นเรือนบาไม่ต้องห่วงจ้าเอ็งแน่ใจนะแน่ใจจะา ในมือเองแน่ไใจ ก, ก็ตามใจเองก่อนแล้วกันเอตัวหนักเป็นบ้าหรือคนเลยวะก็ดูโตของมันสิตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่หนักได้ไงแต่ทําไมใจสอะเหลือเกินอ่ะใจสอกยังไงกันก็ไม่ทลาะไระสลบไปแล้วโธโดนยิงไปกี่นัดก็ไม่รู้เห็นเลือดเปื้อนเสื้อไปหมดเลยกระสุนคงจะฝังในแล้วก็เจ็บปวดอย่างแสนสาหัสมันจนทนไม่ได้น่ะแหละกระสุนฝังในเหรอพระเจ้าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอะอีกทีดเดียวขึ้นไปใจก่อนอ <c oughs> สู้คนน้อยสู้น้อยไหวไหมไหวจะไหวแน่จะให้ยับรอยให้หลุดจากหลังชนะจะจะจะหักหลิงตกบันได้ลงไปกองกับเพือกแล้วก็ไม่ตายก็เลี้งไม่โตแน่แน่แล้วเท่านี้ก็อะไรอ่ะรุ่นนี้แล้วยังเลี้ยงไม่โตอีกเหรอรอเข้าวลงทถิดหน้าเออเองก็พูดไปเหนื่อยขนาดนี้ยังมีอารมณ์ขันอีกเลอฮะมาสบายตรงนี้นะ เดี๋ยวเดี๋ยวดีวขอข่าปูเสือก่อนอ๋ออขอสมบัตก่อนนะวางกลางห้องนี่ได้เลยสุเว่จะจะมามาขาช่วยคอยหน่อยสุเว่ยคนเก็บจะตายอยู่แล้วเว้ย ยังไม่จะสติเลยพระเท่าเอาไงดีอะทางไงดีล่ะหมอเข้าบ้านก็มไม่ม่ซะด้วยก็นั่นนะ่ะสิจะเอาไงก็ต้องไปตามหมอในอำเภอมารักษา ล, ละไปยังไงอะอืมระยะทางอืมมันมากกว่าห้าสิบกิโลเลยนะนี่นาะกืนนานสิพระเท่าถ้าให้เทียมเกวียนไปก็คงไม่ได้เรื่องแน่นอนออื ม, มันช้ามากเลยเออเอาเกวียนไปผมว่า ก่อจะถึงอำเภอก็คงพรุ่งนี้เที่ยงอ่ะเฮ้ ย, ยแล้วเอาไงดีแล้วว่านี่ผมว่าผมวิ่งไปหาหมอดีกว่าวิ่งอ่ะจ้า ติดตามรับฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment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 ไปเงาที่มีเด็กจางหายไปช่วยเป็นแสงสงว่างใหหัวใจอยางจะขอแค่ใครสัก ชีวิตฉันยังว่งเ่า อยากจะขอแค่ใครสักคนที่ ใครเข้ากยังมาไม่แปลกใจเลยที่มมีคู่ครองมีหลายคนมาปองฉันเองยงคอยมองตไม่กล้าเดมจท ต้องแสดงออกไม่ใช่ให้ใครเขาบอกหรือไวเขาเดาเองเพรารักเธอทนนาจใจมันนาหลายปีไม่กล้าใกล้เจอสักทีเจอกี่ครั้งกี เจีไรใจมันเต้นรงที่บอกกับตัวเอง เขาไม่อาจวางสายทางเทียนทำได้ความหวังยังพลิ้มพลายก่าต้ามีม่เายิง ความสายทางที่ทำได้ความหวังยังติงคลายเก่าตายไม่เสิมชีวิตที่ผ่านพ้นมีลบยังมี เ, เพิ่มพร้อยังให้เหมือนเดิมกำลังใจย้า ให้รักเราละละยายเพืนอใจมีผงพลูทุกทนตลอดกาให้รักเราละลายเพื่อใจมีองนลูทุกทนตลดกาให้รักเราละลาย ใจไม่พร้อมคนผู้ทุกข์ทนตลอดกาล ฟังรายการละครวิทยุแม่เสรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment นี่เองอาสาจะวิง่งไปขอความช่วยเหลือจากหมอเลยแล้วเนี่ยมันเป็นทางเดียวที่จะเร็วแล้วก็ต่อลมหายใจพ่อหนุ่มคนนี้ได้อะ หรือพเท่าไม่เห็นด้วยอย่างนั้นเหรอเห็นเห็นเห็นเนด้วยเป็นอย่างยิ่งเชีละเจ้าสุเวดีๆๆดีดีดีดีดีมากเลยสุเวจ้ะเอ็งนี่ทั้งมีน้ำใจเหลือเกินน่ะสมแล้วที่เอ็งเกิดม sure าเป็นคนหมู่บ้านเฮาเชาเขาแห่งแม่สอเลยง ขายดีเหลือกเกินเจ้าซูเ ว, เ ว, ย, งงวยเอ้ยถ้งัไปดี๋ยวี้เลยนะอย่าลืมเอาน้ําไปดื่มกลางทางด้วยล่ะจ้าพระเจ้าแล้ว เ, ออเดี๋ยวไฟฉายด้วยนะเผื่อพรบคนะําน่ะเองยังสามารถใช้ไฟฉายส่องทางวิ่งต่อไปได้เว้ยจ้าจ้าจ้าเออดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ย เ, เอ้ยเอ้เองจะวิ่งเส้นทางไหนอย่าบอกนะว่าเองจะวิ่งตามเส้นทางหลวงอะ่ะไม่ถูกจ้าเพราะมันไกลกว่าเยอะเลยอือืมอืม ว่าสิแล้วเองจะวิ่งไปยังไงวะเนี่ยกูวิ่งตัดเขาไปเรื่อยๆอล้นระยะทางได้มากเชื้อเอ็งขลาดมากนะสูเวขยข้าเห็นด้วยกับเอ็งเป็นอย่างยิ่งล้วไงจ้างั้นไปนะเอองั้นเอ็งไปได้แล้วนะสูเวยจ้าจ้าเอ็งจงจําท่องให้ขึ้นสมองเลยนะซุเวยนาะท่องอะไรอีกล่ะพระเจ่าอา้าวทุกอย่างกล่าวที่เอ็งวิ่งไปมันคือลมหายใจของคนหนุ่มคนนี้มันจะมีชีวิตอยู่หรือตายอยู่ที่เอ็งเพียงคนเดียวเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเอ็งจะต้องเล่งฝีเท้าให้ไปถึงโรงหมอให้เร็วที่สุดจ้้้าจจะท่องใขึนเลย ฉันจะไมหยุดเลยจนว่จะไปถึงโรงหมอโอ้ดีมากเจ้าสุเวเอาลักเองไปได้แล้วจ้าพะเท่าโชคดีนะว่าเจ้าสุเวจ้าพะเท่าพ่อนู้งมึ้ยแล้วเองมาจากไหนกันล่ะเนี่ยอืมผิวพรรณผุดผ่องออกอย่างนี้น่าจะมาจากในเมืองใหญ่หรือไม่ก็อาจจะมาจากบางเ ก, กาะนะนี่นะว้ยมาเกิดตายแท้ๆเชียวเองเว้ย Thank you. พี่ตายอยู่แล้วช่วยผมด้วยแม่ไปทำอะไรมนาะทาไมเลือดจะได้ท่วมตัวขนาดนั้นนะคะผมยสุดก่อยิงผมเรช่วาผมด้ว ย, ด ว, ยวดต้ ก, กินอ่ให้ัวคุณไดอยังไงอะฉันไม่ใช่ชชชหมอต่อสนะั่งเลยแล้วทำไมไม่ไปหาหมอมาหาฉันทำไมละ่ะมหาสุแม่สุธาจะหาหมอนะอุยไม่ได้แล้ไม่ได้นะไม่ได้ไไดทำไมล่ะสุ ฉันไม่มีปัญยาพาเทพไปหาหมอรักทาไมออกออกสุสุแล้วจะเสียนะแล้วเป็นอะไรไปไม่รู้สตาร์ทไม่ติดตั้งแต่เมื่อช้านี้แล้วนี่คุณไปมีเรื่องกับใครกันแน่ผมไม่ได้มีเรื่องกับใครหรอกไม่มีใช่ไม่มีไม่มีแล้วโดนยิงได้ยังไงพกโจรล้นเงินผมโธ่เอ้ยคงจะเมอเรออยละสิพวกโจรอ่ะไม่ถึงได้ไปชี้ตัวแล้วก็ปล้นเราได้ละเชื่อผมทีสุสุ นีอ nah, ่อย่ามายุ oh ่งฉันอย่ามายุ่งผมไม่ไหวแล้วช่วนจู่ช่ว่นวโอ๊ยโอพนมพะน่มพะน่มเอ็งฟื้นแล้วเหรอโอยกะทำอะไรฉัน แกยิงฉันแกเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวเดียก่อนใจยเย็นๆก่อนนะพอนุ่มนาข้าไม่ได้ยิงเองแกยิงฉันแกแ น, น่เลยแล้วแก่ฉันไปอยู่ที่ไหนอเลือดโ <c oughs> อ, อ้ยนี่นีนี่ฟังให้หนีนะ <c oughs> พอนุ่มนะข้านี่เป็นคนช่วยเองไม่ได้ยิงเองให้พวกโจรมันปล้นรถเองป <c oughs> ล้นเงินทองของเองไปหมดข้าช่วยเ อ, เอาไว้ต่างหากล่ะเฮ้ยทําดีไม่ได้ดีเลยนี่หว่า แล้วแกพาฉันมาอยู่ที่นี่ทำไมทำไมไม่ส่งฉันไปหาหมอเรื่องมันยาวพาฉันไปหาหมอเดี๋ยวนี้แต่เท่าพาฉันไปเดี๋ยวนี้สิวยไปโ อ, โ อ, โอ้นี่อยา่าเอาแต่อารมณ์สิอพอนูปวโถแล้วกันสิ คุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากการรับฟังละครที่จบไปแล้วนี้โปรดเขียนใบษนียบัดห ร, รือจดหมายแสดงความคิดเห็นของคุณมาถึงเราที่ตู้ปอนนศอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสใบษณีย้าห0 0หรือส่งที่ SMS 082-033-5951 ทุกท่านที่ส่งความคิดเห็นเข้ามาทางเราจะจัดส่งหนังสือหรือซื้อยืดไปให้แก่ท่านฟรี